ดูความพิสูจทั้งหลายส่วนคือสกายะคืออะไรส่วนคือสกายะนั้นมีคําที่จะพึงกล่าวว่าคืออุปาทานขันท่าทั้นคําว่าสกายะเนี่ยนะคือขันท่านะแต่ถ้าบวกทิฐิเข้ามาอีกศัพท์หนึ่งหมายถึงทิฐินะไม่ใช่หมายถึงขันท่าถ้าสกายะทิฐิเนี่ยเป็นชื่อของขัน 5, ออถ้าสกายะทิฐิเป็นชื่อของมิจฉาทิฐิแต่ถ้าสกายะเฉยๆเป็นชื่อของขันท่าถ้าอย่างตรงนี้นะสกายะอันนี้หมายถึงขันท่า แต่ถ้าเพิ่มศัพท์มาอีกศัพบหนึ่งว่าทิฐิอันนั้นเป็นเรื่องของทิฐิจริงๆหมายถึงตัวทิฐิเลยอันสกายะในที่นี้หมายถึงอุปาทานขันห้าอุปาทานขันห้านั้นก็คือรูปเนี่ยนะอุปาทานขันคือเวทนาอุปาทานขันคือสัญญาอุปาทานขันคือสังขารอุปาทานขันคือวิญญาณดูก่อนพิสูจนทั้งหลายนี้เราตถาคตเรียกว่าส่วนคือสกกายะอันตะอันตะเนี่ยนะอันตะคือรูป เออขออภัยอันตะคืออุปาทานขันห้าสกายะกับอุปาทานขันห้ามันเดียวกันดูกวามพิสูนทั้งหลายก็ส่วนคือความเกิดขึ้นแห่งสกายะเนี่ยคืออะไรคือตัณหานี้ที่ทำให้เกิดในภพใหม่ไปด้วยกันกับความกำหนัดด้วยอำนาจแห่งความเพลดิดเพลินเพลดิดเพลินนักในอารมณ์นั้นนั้น ได้แก่กามตันหาภวะตันหาวิภาวะตันหาดูก่อนพิสูนทั้งหลายนี่เราตถาคตเรียกว่าส่วนคือความเกิดขึ้นแห่งขันห้าเือสกายะเนี่ยนะจริงๆอ่ะวิธีสร้างขันห้าก็คือความเพลิดเพลินในขันห้านั่นแหละเพราะตัวที่ทำให้ขันห้าเกิดคือความเพลิดเพลินในขันห้านั่นแหละสมมติ่าอย่างเรามีเมล็ดมะม่วงเนี่ยนะ ตัวที่มเมล็ดมะม่วงมเมล็ดหนึ่งที่สมบูรณ์ที่ไปเพาะปลูกแล้วขึ้นปลูกงี้ขึ้นถ้าเราต้องการเม็ดเพิ่มขึ้นเนี่ยทายังไงต้องทําไงก็เอาเมล็ดอันนั้นอ่ะไปเพาะปลูกลงเลเพาะปลูกเมื่อหลังจากปลูกมันก็เป็นปัจจัยให้ได้มีเม็ดมะม่วงอันใหม่ขึ้นเห็นไหมเพราะถ้าไอการเพาะปลูกอันเนี้ยยางเหนียวที่อยู่ในเมล็ดมะม่วงอันนั้นแหละคือลักษณะเดียวกันกับ ตันหาทั้งตันหาเนี่ยมันก็ฉาบทาอยู่ในในเมล็ดมะม่วงนั่นแหละใสจแล้วไอการไปปลูกก็เพื่อให้เมล็ดมะม่วงมันเกิดขึ้นอย่างขันห้าที่ติดในอย่างเนี่ยนะอย่างที่ติดในขันห้าอยู่ทุกวันเนี่ยมันคือวิธีปลูกขันห้าอีกวิธีหนึ่งเนี่ยนะนั่นแหละคือการสร้างขันห้าทั้นการสร้างขันห้าก็คือการสินเนหาเนี่ยนะสินเนหาก็คืออย่างเหนียวอ่ะนะสินเนหาในขันห้านั่นแหละคือการสร้างขันห้าคือการ ก่อให้เกิดขันท่าขึ้นไอ้ความเสน่หาความพอใจในขันท่าของบางคนเนี่ยต้องการในแค่รูปเสียงกลิ่นรสและโพทะพะเนี่ยอันนี้เรียกว่าการมตัญหาแต่บางพวกไปชอบขันท่าแต่ไปคิดว่าขันท่านี่มันยั่งยืนพวกนี้เป็นภวะตัญหาพวกที่ชอบขันท่าแต่คิดว่าขันท่านี่มันสูญพวกนี้เป็นวิภวะขันทา จะคิดในแง่ว่าขันห้าเที่ยงจะคิดว่าขันห้าศหรือคิดเพราะต้องการขันห้าก็คือการสร้างขันห้าทั้งนั้นนี่นะเพราะฉะนั้นกา마ตันหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาคือการสร้างขันห้าหมดเลยแล้วแต่จะขอให้ให้ชอบขันห้าไปเถอะจะชอบแล้วคิดแบบไหนก็ตามก็คือการสร้างขันห้าดูก่อนที่สุดทั้งหลายก็ส่วนคือความดับแห่งสกายะนี่คืออะไร คือความดับโดยการสํารอกซึ่งตันหาอันนั้นแหละโดยไม่เหลือการสละการสลัดทิ้งการปล่อยไปการไม่อะไรใ ย, ยดีเนี่ยนะที่สุดนี้เราตถาคตเรียกว่าความดับแห่งสกายะก็การกําจัดฉันท์ต้นเหตุให้เกิดขันห้าคือฉันทราคะใช่ไหมถ้ากําจัดฉันทราคะในขันห้าได้นั่นแหะนั่นแหละคือการดับขันห้าเนี่ยนะอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้ว่า ต้องมีสิ่งที่ไม่ใช่ขันห้าเป็นอารมณ์นั่นแหละจึงจะออกจากขันห้าได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะจิตที่มีขันห้าเป็นอารมณ์เรียกว่าโลกิยาจิตจิตที่พ้นจากขันห้าโดยที่ไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์เรียกว่าโลกุตระจิตจิตที่พ้นขันห้านั่นเองคือไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์เลยเนี่ยนะแต่ไม่ใช่บัญญัตินะสิ่งที่พ้นขันห้าเนี่ยนะ เพราะบัญญัติทั่วๆไปก็อาศัยขันท่าอีกนั่นแหละแม้แต่สับว่านิพานนะโดยชื่อเนี่ยก็เป็นก็เป็นสิ่งที่บัญญัติดยอาศัยขันท่านะเพราะตัวนิพานนี่ไม่บัญญัติไม่ได้อยู่แล้วตัวสภาวะของเขาเองอะนะเพราะสับว่านิพานนี่เป็นเสียงไงไหมแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งการเรียกขานกันเนี่ยนะนะก็ยังถือว่าถึงใช้คาว่าเนี่ยฉันรู้นิพานแล้วอ่นะ หรืออาจจะคิดถึงคาว่านิพานอย่างนั้นก็คือคิดถึงขันธ์ห้าอีกอยู่ดีก็ไม่ได้พ้นจากขันธ์ห้าอะไรดูความพิสูจนทั้งหลายส่วนคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสกายาณ์นั่นคืออะไรคืออริยมรรคมีองค์แปดประการนี่เองได้แก่สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธิ ภิกษุทั้งหลายนี้เราตถาคตเรียกว่าส่วนคือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสกายะนี่ น, น, นะข้อปฏิบัติสายกลางอันนี้นี่คุณมูชูถ้าเนี่ยมองเห็นใครสักคนเนี่ยจะปฏิบัติสายกลางให้ทำยังไง แล้วถ้าแล้วเป็นยังไงคะนี่เอาเอ า, เอางี้นะการเอามองเห็นคุณปีดาเนี่ยให้มันเป็นเนี่ยมักมีองแปดนี่นเป็นยังไงเนี่ยนมันจะได้เป็นสางสายกลางสักทีนึงอนนะจะทำยังไงอันนี่คือรูปต่อไปอีก การะับของเขาโดยความเป็นจีงก่อนแล้วก็รู้เหตุจากเหตุเกิดก่อนแล้วก็เหเหตุัเหตุเกิดนี่คือเหตุเกิดก็คือูปนี้อาหารก็คืออาหารเกิดรูปเกิดใช่รักรรมเกิดรูปเกิดุตุเกิดรูกเกิดนะครับอาหารเกิด กรรมจิตวูตุอาหารแล้วก็นิพพติของเขาจะหลัเกิดหรือเหตุเกิดนะถ้าเหตุดับก็คือทั้งห้าอย่างนี้ดับรูปัจะดับถ้าถ้าถ้าถ้าตัดอาหารนี้ดับเลยใช่ไหมตัดอาหารตัดอาหารจริงๆถ้าดับงั้นก็นิพานเลยอ๋อไม่ใช่อราต้องดับอย่างอื่นด้วยไม่ใช่ดับแต่อาหารอย่างเดียวนะ งั้นผ้าอาหารนี่จะเป็นผ้าอาหารก็ตัดอาหารคนนั้นก็ให้เขาเป็นผ้าอาหารไปเลยเไม่ใช่นะเนี่ยแหละที่กาลังพูดว่าอาริยมยรรคได้เห็นยังไงว่างั้นเถอะถ้าเห็นโดยความเป็นจริงว่า รู้จริงนะฮะรู้ชัดเรื่องจักสุขนะฮะแล้วรู้รู้เห็นจริงในเรื่องรูปรู้เห็นจริงในเรื่องของจักรวิญญาณรู้จริงในเรื่องของจักุสัมผัสแล้วถ้าวาสวยเวทนานะฮะก็รู้ชัดว่าเวลานี้สวยเวทนาอันเกิดเกิดจากจักุสัมผัสเป็นปัจจัยนะครับและทีนี้ ถ้ารู้ทัดอย่างนี้แล้วก็ถ้าแอกว่านั่นคือการเจริญอริยมรรคอันมีองค์แปดแล้วแล้วเลยนะก็คือทั้งเจริญทั้งสมถะแล้วแบบแล้ววิปัสนาไปพวกคู้บนไปแล้วแล้วแล้วนะใช้คํำว่าแล้วนะแล้วเนี่ยแปลว่าจบแล้วนะองเจริญน๋อเจริญต้องเจริญให้ให้เบื่อหนายนะ เอามักไม่ต้องแปดม้อยพินเจเลยยังไงเห็นผู้การธงชัยก็แล้วกันออะเจริญสายกลางแล้วไม่ตอบภาสีเฉยๆไม่เอานะไม่ไม่ต้องตอบก็ได้เช่นนั้นเ อ, เอาให้มันพอพ้นทุกหน่อยจะเอาไปเจริญตามบ้าง สอบแบบไม่ต้องเตรียมตัวดูยังไงเง่้ยโอ้ยเดินทางไกลแล้วเดี๋ยวไปเจริญอะไรต่อไปรู้จะพูดไม่ได้เอาการที่จังเกตุดา จะเดินสายกลางแล้ว่างนั้นจะไม่เอียงซ้ายเอียงขวาอ่างั้นเดินตรงแล้วอจากเกีสอนบ้าง เ, าเห็นผู้การทนดัดก็ได้จะเดินสายตรงเนี่ยอ๋อยังไม่ได้เดินนะยังไม่ได้รีบไปไหน <c oughs> คุณพิดาคุณพิดา ตัดมาเมื่อมีความเป็นถต้องแล้วก็มีความคิดต่อเนื่องมาในการที่แได้เขาว่าก็ยาิบัปิสารจากนั้นมาก็มีการประพฤติถูกต้องทำลายวาจาใจสุจิตเมื่อการวาจาใจสุจิตแล้วอาชีพก็สุจิตด้วย ยาที่จะสืบติดได้ น, นี้เป็นศีล่จะสิก็ต้องมีความเพียรเป็นเนต้นต้องรู้สองวัตถายศีลคือเพียระละสิ่งที่เป็นอุสงเป็นสิ่งที่เป็นอุปสซึ่งจะสาเร็จได้ก็โดยการมีสติกเมื่อซึ่งจะรึได้ไม่สตินีก้ก็ต้องมีสมาธิว่าเียรเป็นธรรม ะ, มระจาาับสังสารไม่ถูกต้องไปสิ ยังนนคนเดินเองไหมตาศพพบตาสจะจะเดินสายกลางแบบสติประฐานสี่เอ้ามักมีตั้งแปดข้อาขอาต า, ออตาปีอ๋อเพราะในนั้นนั<า>้นก็เข้าองค์หมดน ะ, ะแล้วก็ถ้า อางที่กล่าวนะว่าไอ้ข้อปฏิบัติอันประกอบไปด้วยองค์แเนี่ยตัวแรกเลยคือสัมมาทิฏฐิใช่ไหมนี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกเนี่ยนะถ้าทุกในกิจคืออะไรปริญญาเหตุแห่งทุกกิจคือประหารนะความดับทุกหรือไอ้ความไม่เป็นไปแห่งทุกอันนั้นคือ อ่าสัจจิกิริยาแล้วไปทำยังไงอ่ะไอตัวที่ไปกำหนดรู้อ่ะตัวที่ไปละอย่างที่กล่าวไปตัวที่ไปทำให้แจ้งนั่นแหละคือมัชิมาเนี่ยนะ <c oughs> อย่างที่นะนะถ้าบอกว่านี้รูปนี้ความเกิดของรูปนี้ความไม่เป็นไปแห่งรูปอ่ะนะเรียกว่าอปวัตานี่นะตัวที่ไปรู้อันนี้แหละเรียกว่ามัชิมาปฏิปทา ก็ไอๆอย่างตัวที่ไปทำเนี่ยว่าเนี่ยองค์ประกอบต้องแปดอย่า ง, งนะเน <c oughs> เลยเลยไม่ใช่ว่าจะไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่อะไรสักอย่างหนึ่งวันยกตัวอย่างวันนี้อุปาทานขันท นี่ความเกิดของอุปาทานขันห้าทั้งคู่แบบนี้ที่เป็นไปเนี่ยนะเรียกว่าปวัตตะนั่นะน่คือปวัตตะใช่ั้ยปกติแล้วไอขันห้าโดยสับเนี่ยถ้าวิเคราะห์แล้วจะรู้ว่าขันเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนั้นเมื่อมีอุปาทานอันนี้เกิดขึ้น่ะ ตรงนี้มันจะมีอุปาทานอาศัยอยู่ในขันท่าอีกทีน์อาศัยนะหมายความว่าเพราะเพราะมีอุปาทานขันท่าจึงมีตันหาใช่เพื่ออะไรอีกอตัวอุปาทานตรงนี้เป็นศัพท์อีกชื่อหนึ่งว่าสมู ท, ทยัยเพื่ออะไรเพื่ออุปาทานขันท่าต่อไปเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็บอกว่านี้ทุกใช่ไหมนี้เหตุแห่งทุกข แล้วเมื่อไหร่มันจะอัปวัตตะละ่ะซึ่งมันตรงกันข้ามกับปวัตตะเนี่ยนะนี้ธรรมะที่ทุกเหล่านี้ไม่เป็นไปเนี่ยนะหนึ่งนะทุกใช่ไหมสองเหตุแห่งทุกสามความไม่เป็นไปแห่งทุกอะ เนี่ยตั้งคำถามที่ถามเมื่อกี้ว่าไอ้ข้อปฏิบัติสายกลางไนงะข้อแรกก่อนนะคุณต้องมีทิฐิอันนี้ก่อนนะ่ะมีทิฏฐิวันนี้ทุกไม่ใช่ใครเหมือนนนะี่ยนี้ทุกนะทุกเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดอันนะทุกเหล่านี้ไม่เป็นไปเนี่ยนะถ้าถาถึงฐานะอันนี้นะฐานะคืออปะวัตะเนี่ยเป็นอีกศรรับหนึงงน่งอเนกพานนะทุกเหล่านี้จะไม่เป็นไปเลยอันนะ อันนี้ถือว่าความเห็นเป็นที่หนึ่งเนี่ยนะเขาเรียกว่าเห็นตรงละเดินเดินตรงกันข้อแรกก่อนก็เป็นสัมมาทิฏฐิแต่เราเเริ่มเป็นอย่างที่ฟังก็สุตตะไงอย่างที่เรากำลังพูดนี่ก็เป็นสุตตะเแต่เมื่อไรที่ไปเห็นตามนั้นจริงๆเป็นเป็นความเห็นที่ที่เราเห็นแบบนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเห็น่ะนะ เขาเรียกว่าเห็นตามอะ่ะจนความเห็นอันนี้ของเราไม่เปลี่ยนแปลงอะ่ะผู้นั้นแหละจึงเรียกว่ามีทิฏฐิที่เป็นอริยมรรคเนี่ยนะเอาว่าให้เต็มเลยว่าเราปราลบอารมณ์ใดก็บอกว่านี้นี้ทุกขนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับทุกันะนะถ้ามองเห็นอย่างเงี้ยใครที่เห็นได้แบบนี้เรียกว่าคนนั้นอะ่ะเดินสายกลางจริงๆ นะนี้ทุกทุกเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดใช่ไหมถ้าฐานะที่ไม่เป็นไปแห่งทุกข์ไอความเห็นอันนี้เป็นสัมมาทิฐิแต่ทีนี้ก็เริ่มต่อไปว่าทุกอันนี้เนี่ยที่จะเรียกว่านี้ทุกเนี่ยมันรู้แบบไหนเนี่ยนะที่รู้ว่ารู้ทุกเนี่ยทุกอันนี้ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะนี้คือรูปเวทนาสัญญาสังขารและ วิญญาณเนี่ยนะถ้ากระจายคําว่านี้ทุกขเนี่ยนะก็จะกระจายออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณทุกอันนี้มีเหตุเป็นแดนเกิดนะผู้ใดยังถอนฉันทราคะเอ่อเอ่อทั่วในข้างหนึ่งอัปวัตตะความไม่เป็นไปคือการกําจัดฉันทราค้าในอุปาทานขนนะันห้าไอตัวอภปตตะนะคือการกําจัดฉันทราคะในขันห้า เมื่อแยกว่านี้ทุกคือ น, นี้รูปนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขาร น, นี้วิญญาณก็คือบอกว่านี้ทุกไม่ใช่สัตว์ทุกเหล่านี้มีเหตุเป็นแดนเกิดทีนี้ตัวเหตุอันนี้คืออะไรก็คือตัวที่ติดในในอุปาทานขันในอดีตนั่นเองความติดข้องในอดีตนั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกที่กาลังมีอยู่ใน ปัจจุบันถ้าติดข้องในขันอันนี้ในปัจจุบันนี้ก็เป็นเหตุแห่งการมีขันต่อไปในอนาคตเนี่ยก็เริ่มมากระจายกระจายอุปาทานคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถามว่าที่เรากลัวนี่เรากลัวสมุไทยอดีตหรือกลัวสมุไทยปัจจุบั น, น, นก็คือสมุไทยในในภพเนี่ยที่จะเป็นเหตุนําเกิดในภพใหม่เนี่ยน ะ, ะตัวสมุไทยอันนี้น่าน่ากลัว แต่เริ่มรู้ว่าทุกข์มาจากสมูทัยในอดีตแต่ถ้าไม่ปฏิบัติให้แทงตลอดอันนี้เนี่ยคือพระนิพานไอตัวสมูทัยอันนี้มันสร้างทุกข์ต่อไปอีกทีนี้ทํำยังไงที่จะจะแทงตลอดฐานะอันนี้ได้เหนไรูปบอกว่านี้รูปนี้เวทนานี้สัญญานี้สังขารแล้วก็นี้วิญญาณแล้วนี้ความเกิดแห่งรูป พอใช้คำว่ารูปปั๊บนะเนี่ยที่นั่งๆกันอยู่เนี่ยนี่รูปก่อนรูปเกิดเพราะอาวิชชาเกิดเพราะตันหาเกิดเพราะกรรมเกิดเพราะอุปาทานเกิดเพราะฉะนั้นรูปในปัจจุบัน NF นี้เกิดจากปัจจัยแบบนี้ถ้ารูปในอดีตถ้าจะเกิดก็เกิดจากปัจจัยอวิชชาตันหากรรมอีกเหมือนกันถ้าอนาคตต่อไปนะคือคือรูปเกิดรูปเกิดก็เพราะอาวิชชาตันหากรรมอีกรูปอนาคตต่อไปก็เกิดเพราะ ในเงื่อนไขในลักษณะเดียวกันหมดทีนี้ถ้ากำจัดฉันทราคะเช่นว่าถ้าดับอวิชชาคือแทงตลอดว่านี้รูปนี้เหตุเกิดแห่งรูปนี้ฐานะที่ไม่เป็นไปแห่งแห่งรูปเนี่ยนะอันนั้นเป็นความดับรูปนี่ก็อย่างที่พอค์ถามว่าที่จะกำถึงฐานะอันนี้ได้เนี่ยรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงเห็นไหม ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์บอกเป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาควรหรือจะแต่เห็นว่านั่นเป็นเรานั่นของเรานั่นอัตตาของเราเพราะฉะนั้นควรกําจัดฉันธราฆะซะเนี่ยนะทีบางสูตรก็บอกว่ารูปหรือทุกข์อันนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงจงละรูปซะเพราะฉะนั้นถ้าใช้คําว่าละรูปบอกจงถึงฐานะอันนี้เออถอะเนี่ยนะเพราะฐานะอันนี้คือการตัดเยื่อใยใน ในรูปนั่นเองเนี่ยนะเพราะผู้ใดไปหาอัปปวัตตะที่พ้นจากรูปจะหาไม่พบเพราะอริยสัจนี้จะขึ้นนี้เช่นรูปรูปสมูทัยรูปนิโรธพรนรูปนิโรธคือความไม่เป็นไปแห่งรูปและรูปสมูทัยเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าไอตัวเนี้ยปริญญาสานะเนี่ยนะรูปสมูทัยเนี่ยปหานะห้ ะนะก็ต้องไม่ลืมกิจอันนี้ก็ถ้าทำกิจอันนี้สองตัวนี้ได้อันเนี้ยคือคืออันนี้ถ้าทำกิจปริญญาสามในทุกทำกิจปะหานะห้าในสมุ ท, ทยัยนจะแทงตลอดฐานะอันนี้เองฐานะอันนี้จึงไม่ใช่ว่าไปสร้างความหวังไว้ว่าอยู่ณดินแดนแห่งหนึ่งหรือณจักรวาลหนึ่ง เนี่ยนะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นวัตถุในลักษณะนั้นเพราะถ้าเราไปมองว่าเป็นวัตถุเนี่ยนะนิพานเป็นรูปเป็นอะไรก็จะไปจินตนาการว่าอยู่ณนะดินแดนแห่งนั้นก็แ ล, แ ล, แ, ลแล้วเริ่มสร้างวิมานในอากาศขึ้นนะนิพานอยู่ตรงนั้นมัน้งก็ไปหาไกลจากจากจากกายาวานาเคืบมากขึ้นนะนะ เหมือนกระรือสีที่แบบโรหิตัส่ารือสีอะนะเริ่มเหาะไปหานิพา <c oughs> พานแล้วภิกษุรูปหนึ่งก็ไปถามพรหมทั้งหลายแหละเนี่ยนะไปเที่ยวถามพรหมไปหมดอะนั <c oughs> ้นก็อย่างที่จางเกสุดาว่าก็ถู ก, กนะนะก็คือการเอารูปนั่นแหละมาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นเนี่ยนะตามกายานุปัสนาถ้าพิจารณาเวทนาก็เวทนานุปัสนาถ้าพิจารณาจิตก็เป็น ธรรมานุปัสนาถ้าพิจารณารที่เหลือนะธรรมะที่เหลือก็เป็นธรรมานุปัสนาก็คือการเข้าไปทําปริญญาในอุปาทานขันห้าเพื่อที่จะได้ละสมุทัยในสิ่งนั้นนะ่ะไอาการเจริญ น, นั้นแหละเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยนะแต่ถ้าระดับสูงสุดเลยก็บอกว่านี้รูปนี้รูปสมุทัยนี้รูปนี้รสนี้รูปนี้รสถาคำไมินีปฏิปทานะ ถ้าเรียกวา่าถ้าถึงบทสประการเหล่านี้ก็ได้ก็ก็มั่นใจได้เลยว่าปิดอบายแล้วอย่างนั้นฮะเพราะว่าเห็นคุณของพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนว่าพระพุทธเจ้านั้นตรัสรู้ธรรมะเหล่านี้แหละที่ทําให้พ้นจากทุกข์ได้ทีนี้ไอความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยนะเราเอาไว้เจริญพุทธคุณก็ได้เรายังไม่แทงตลอดเองก็เอาไว้เจริญพุทธคุณก็ยังดีใช่ไหมบทว่าสัมมาสัมพุทโธว่าพระพุทธเจ้ารู้แบบนี้นะเนี๋ยนะ ก็จะได้ก่อให้เกิดปีติและปราโมทนะบทว่าสัมมาสัมพุโทโธเนี่ยไปเจริญให้มากๆากนนะเพราะอนุสติหกนี้เป็นพาเวตประธรรมเนี่ยนะเป็นธรรมที่ควรเจริญเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจริญตามนั้นเนี่ยหรือผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งอะ่ะที่ไม่พ้นทุกข์อ่ะไม่มีหรอกนั้นสําคัญว่าให้ขอให้คี้ตามที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําเถอะเนี่ยนะเพราะว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่เกิดในโลกใช่ไหมแต่ว่าเป็นผู้ที่ไม่ติด ไม่ติดโรคเป็นผู้ที่พ้นโรคพ้นโรคแล้วพระ อ, องค์ก็ยังแนะนาชักชวนผู้อื่นให้พ้นจากโรคด้วยเนี่ยนะถ้าเปรียบเทียบพระ อ, องค์ก็เป็นคนที่หายโรคแล้วก็อยากจะให้ผู้อื่นหายโรคด้วยก็เลยบอกวิธีเพื่อให้หายโรคเนี่ยนะของเรายังป่วยอยู่ก็ยังคิดถึงผู้ที่หายโรคแล้วก็รู้วิธีว่าเขาหายโรคได้ยังไงเนี่ยนะเอาไว้ระลึกไว้เจริญพุทธานุสตินี่ก็ สักวันหนึ่งก็กระยิมใจว่าจะต้องหายจากโรคจากโลกนี้ได้แน่นอนนะหนี่งภูปาทธานคันท่าเ น, นี่นะทัทง้ท ง, ทงทั้งที่เรามี มีมีราคะมีความติดมีความค่องอยู่ ท, ทั้งที่เรารูนทั้งทั้งมีนะแต่ก็ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้ว่าเรามีมันแปรกันนะยคือเพราะว่าไม่ได้ทำปริญญาอะไรเลยคือปุตุชนเนี่ยนะไม่ได้กระร่ไม่ได้รอบรู้ในสิ่งที่ควรรอบรู้ไม่ได้ละในสิ่งที่ควรละเพราะฉะนั้นชีวิตจึงอยู่ด้วยความหลงตลอดจึงอยู่ด้วยโมหะเป็นส่วนใหญ่ ที่ยังชอบสูตรก่อนๆที่บอกว่าแผ่นเอ่อ เ, เรียกว่าน้ำทะเลมันจะแห้งได้แต่อวิชาไม่แห้งอ่ะอนะมหาสมมเออเาบอกว่าภูเขาซิเนรูมันแตกละเอียดเป็นผุยผงอ่ะนะแต่ว่าอาวิชาก็ยังอยู่ตามเดิมนะถึงแผ่นดินมันจะกระจายไม่มีเหลือเลยตันหาก็ยังเอออวิชาก็ยังเหมือนเดิมนะถึงจะเผาอีก27ป่าช้าเนี่ยนะก็ยัง ก็ยังไม่ได้รู้อีกอยู่ดีว่านี้ทุกเพราะอะไรเพราะไม่ได้ทําปริญญาอะไรเลยเมื่อไม่ทําปริญญานะเรียกว่ามันชอบซะจนไม่รู้ว่ามันจะยังไงอีกแล้วนะมันมันติดจนต่อจะรู้เริ่มรู้ตัวเมื่อเมื่อมีคนจะคิดจะแกะว่าเงินหรือคิดจะทําลายในสิ่งที่เราติดนะสมมตินะอย่างเราติดเสื้อผ้าของเราเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะมันเราเหมือนไม่ติดอะสมมตินะแต่ถ้าลองเข้ามาเอากรรไกรตัดดูดิ แต่ถ้าเขาไปตัดจากอื่นทําไมเราใช้เฉยอะสมมติเขาตัดกิ่งไม้นะให้เราใช้เฉยแต่ทำไมมาตัดอันนี้เราทุกอะ่ะเพราะมันติดจะจนจนกระวาเพราะาไม่ได้ทําปริญญาเอาไว้นั่นเองก็เลยติดจะจนเหมือนไม่ติดเหมืนกันเลยคือเป็นโรคโดยไม่รู้เลยว่าเป็นโรคกระว่าป่วยโดยที่ไม่รู้ตัวว่าป่วยหมอหมอก็พูดถึงว่ามี สามีพัญญาคู่หนึ่งเป็นโรคจิตทั้งคู่ไปอยู่ด้วยกันว่างั้นแล้วก็ป่วยกันทั้งคู่นั่นแหละก็าบองั้นนะและ้วก็ไปอยู่แบบที่ทีท่ีจะว่าไม่ได้ติดต่อกับสังคมภายนอกอะนะก็ก็เลยนึกว่าสองคนนี้ก็ก็ไม่มีอะไรพอเข้ามาสู่สังคมแนละ้วจึงรู้ว่าเอาทั้งคู่นี้เป็นโรคจิตนี่ ของเราทั้งหลายเนี่ยนะมันอยู่ในสังคมที่มันป่วยเหมือนกันหมดอ่ะนะทีนี้เราพูดแบบเอาแบบเอาของพระอริยะท่านมาพูดอ่ะนะเสร็จแล้วก็รู้ว่าเออเราเนี่ยป่วยอยู่นะนนป่วยจริงหรือเปล่าที่แท้ป่วยหมดทั้งชั้นเลยที่ไหนได้ไม่รวมทั้งพระอาจารย์ด้วยเพราะว่าคนธรรมดาเนี่ยมีความบ้าอยู่แล้วคนละหนทุกคนมีความบ้าอยู่คนละ้าเ็ต์นบ้าก็ต้องไปหาหมอนี่ถ้าถ้าตั้งคถามนะ ถ้าบอกว่าไอ้คำว่าวิปลาดหรือคลาดเคลื่อนเนี่ยนะทุกคนวิปลาดไหมถามว่าขันเนี่ยดีไหมอันนั้นถ้าตั้งคําถามว่าอุปาทานขันเนี่ยดีไหมดีก็คําว่าสุภาพนะแปลว่าดีอะ่ะขันนี่ดีไหมดีอันนั้นก็ถือว่าเป็นความบ้าอีกชนิดหนึ่งขันนี่มีความสุขไหมมีอันนั้นก็เป็นความบ้าอีกชนิดหนึ่งขันนี้เหมือนก็อยู่อีกนอนเนี่ยนะอันนี้ก็คือความบ้าอีกครั้งหนึ่ง นี่เรานี่ของเรานี่อัตตาของเรานั่นแหละเป็นความบ้านในวินัยของพระอริยนะเพราะฉะนั้นของเราก็เลยปกติบย่างนั้นเถอะแล้วก็ทีนี้เราก็มาคิดถึงว่าเอ๊ะคนที่ขายบ้านเป็นยังไงฉันทำมาในท่าว่าให้ตรงเนี่ยท่านจึงให้เจริญอนุสติเอาไว้ให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างพระอริยเนี่ยให้คิดถึงพระอริยไว้เยอะๆอนะจะได้เห็นปุถุชนชัด หมายความว่าถ้าเราจะดูปคนไทยเราชัดนะ่ต้องไปดูประเทศอื่นก่อนนะนะแล้วจึงจะมองเห็นประเทศตัวเองชัดขึ้นแต่ถ้ายังจมอยู่ด้วยกันนั่นแยกอะไรไม่ออกนะกันนะเหมือนกับสำนวนไทยที่ว่ากบครอบอยู่ในกะลาก็เลยนึกว่ากะลานี่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วว่า ง, งั้นตรงนี้ห <c oughs> นักนนัก น, น, น, นคิดครับคือที่พระอาจารย์ไปไปกรุงเทพไปไ ป, ไปบรรยายที่นั่นนะก็มักจะคุยกับอาจารย์สันติว่า เราหน้าที่ผู้สอนก็จริงอยู่แต่ว่ามีหน้าที่เพื่อที่จะดึงให้พวกญาติยาโยมทั้งหลายนักศึกษาทั้งหลายเนี่ยเข้าสู่พัฒเข้าสู่ไตรชนนคมเท่านั้นนะแล้วก็พระธรรมนั่นแหละจะทำให้เขาเนี่ยคิดคถูกทาถูกคือถ้าเขาเถ้าเขาถึงพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเป็นภาระของพระพุทธเจ้าที่จะบอกเอง ถ้าเขาเคารพอริยสัจนะสมมตินะแล้วอริยสัจจะบอกเองว่าว่าคุณต้องทํำยังไงยกตัวอย่างถ้าคุณบอกว่าถ้าเลื่อมใสในพระพุทธเจ้านะเช่นรู้ชัดในความเป็นพระอรหรันตตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเป็นต้นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศรอริยสัจนะเราก็มาคิดว่าอริยสัจจะบอกเองว่ากิจของฉันคือปริญญาณนะสมุทัยกิจของฉันแกต้องละนะนิโรธแตกต้องทําให้แจ้งมรรคแกต้องเจริญนะ ถ้าถึงพระสงฆ์เป็นสาธระบอกว่าเออเนี่ยนะท่านที่ปฏิบัติถูกเนี่ยสมบูรณ์ด้วยศีล น, นะสมบูรณ์ด้วยสมาธิสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะบริบูรณ์ด้วยสติสัมปชัญญะผลลัพธ์ต้องเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็ก็จะเป็นตัวอย่างให้ให้ชัดเจนอยู่แล้วขอให้มีพระรัตนะตรายจริงๆอะยังไม่ใช่ปัญหาเลยคือว่าเมื่อกี้นี่ที่อาจารย์กล่าวเมื่อกี้นี่นะก็หมายความว่า เขาจะเห็นความไอไ อ, ไอเพี้ยนของเราเนี่ยกับสิ่งที่ไม่เพี้ยนเป็นยังไชงชมันว่าถ้าให้เข้าถึงไตรสนาคมเนี่ยก็จะเห็นสองอย่างเนี่ยแล้วก็จะเริ่มเริ่มเรียนถูกปฏิบัติถูกเองนะั่นก็คือสมัยใหม่เนี่ยนะผู้ที่เป็นอาจารย์เนี่ยชอบปรุงสูตรสําเร็จให้กับคนแล้วก็แล้วก็ตัวเองก็ไม่ใช่เจ้าของด้วยนะแล้วคิดเหมือนกับว่าอยู่ๆเนี่ยของมาไม่ได้อยู่ไม่มาหาลัยหรอก แต่ว่าก็ไปเที่ยวเก็บเก็บตำราข้างข้างมหาลัยนั่นแหละมาแล้วก็มารวมเล่มวันนี้แหละตำราเนี่ยมหาลัยแค่อ่านเล่มนี้นะก็จบหมดเลยมชเนี่ยนะจริงเองฉันก็ไม่ได้อยู่ในมช อ, อะไรหรอกสมมตินะคล้ายๆกันเพราะว่าอผู้สอนโดยมากอันนี้ว่าโดยมากนะก็ไม่ค่อยได้มีปรัชนตาตรัยอะไรเหมือนกัน <c oughs> ก็คนนอกอีกอยู่ดีนั่นแหละ <c oughs> คือถ้ามาคิดแล้วนะถ้าไม่ดาเนินการตามแนวนี้นะครับคือไม่ไ ม, ไม่ไม่พาไปสู่พระตนาตายก่อนแล้วนี่นะฮะก็เป็นว่าเป็นการเรียนของเป็นการเรียนกับอาจารย์นี่เป็นธรรมะของอาจารย์เพราะฉะนั้นเมื่ออาจารย์ผิดถูกยังไงก็ต้องไปตามอาจารย์หมดเลยก็เจ้ารับที่นั้นนั้นไปเลยก็าศาสดาใหม่ไปนานแล้วและก็หวังว่าเราไม่เป็นเช่นนั้นนะ อรหังก็ปลื้มใจหน่อยนะสัมมาสัมพุทโธก็ปลื้มวิชาจารณะสัมปันโนก็ปลื้มนี่กข์ก็ฟังแล้วปลื้มเลยนี่ศีล ส, สมาธิตัญญาวิมุตตาก็ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ามีเกาะมีที่พึ่งแล้วเนี่ยนะหวังเลยว่าจักพ้นทุกเป็นแน่นั่นะเห็นแบบปลื้มทีละเห็นราเพี้ยนทุกทีเลย่นถ้านข้ามอ่ะใช่คือนถ้าคิดนะว่า พระโอษฐเจ้าไม่ให้คิดถึงทั่วๆไปให้ทําไมบอกให้อนุสตินะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนี่ยนะอาจจะพวกล่ะทําไมจึงให้เจริญสังขานุสติทําไมไม่ไปคิดถึงคนทั่วๆไปอ่ะนะปิตานุสติมาตานุสติพาตานุสติเนี่ยนะเป็นต้นอ่ะไม่มีมีแต่ว่าสังขานุสติเป็นต้นแล้วอา้าวคิดถึงเทวดาล คิดถึงเทวดาเนี่ยคิดยังไงบอกว่าแม้เทวดาเนี่ยนะผู้ที่ประเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุมเนี่ยประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาแม้เราก็เป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเจริญให้เต็มเลยนะเจริญไปจนถึงพรมสุท่าวาดชั้นสุดท้ายเนี่ยกนิถพรมเนี่ยว่าพรมเหล่านั้นประกอบไปด้วยศรัทธาศีลสุตะจาคะเช่นใดแม้เราก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะถ้าเจริญให้มันตลอดสายนะไม่ใช่คิดถึงเทวดาแล้วก็สาธุฝันดีมื่อคืนนี่ไม่ใช่อย่างนั้น มีตำราทํานายฝันเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะ